ความโง่และความสงสัยการจังนครราชสีมามาจังหวัดอุดรคราวนี้จุดประสงค์ก็เพื่อจะมาให้ทันท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดโนนิเวศอุดรธานีแต่ก็มาไม่ทันท่านเพราะท่านถูกนิมนต์ไปจังหวัดสกล น, นครเสก่อนจึงเลยไปพักอยู่ที่วัดทุ่งสว่างจังหวัดหนองคายประมาณสามเดือนกว่า พอถึงเดือนพฤษภาคมสอง5หก็ออกเดินทางจากหนองคายไปจังหวัดสกล น, นครและเดินทางต่อไปถึงวัดท่านพระอาจารย์มั่นที่ตั้งอยู่บ้านโคกตำบลตองโคกอําเภอเมืองจังหวัดสกล น, นครพอไปถึงวัดพบท่านกำลังเดินจงกรมอยู่เวลาโพลเพลคือจวนมืดท่านก็ถามว่าใครมาก็กราบเรียนถวายท่าน จากนั้นท่านก็ออกจากทางโจรกลมขึ้นไปบนศาลาเพราะท่านพักอยู่ในห้องบนศาลานั้นท่านก็ทักทายราสายด้วยความเมตตาและเอ็นดูคนที่แสนโง่ไปหาท่านและได้แสดงธรรมให้ฟังในบทธรรมที่ท่านแสดงให้ฟังในคืนวันที่ไปถึงที่แรกนั้นจะนำใจความย่อเท่าที่จำได้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบและเป็นบทธรรมที่ฟังลึกอยู่ภายในใจจนบัดนี้ว่า ท่านมหาก็นับว่าเรียนมาพอสมควรจนปรากฏนามเป็นมหาผมจะพูดทำให้ฟังเพื่อเป็นข้อคิดแต่อย่าเข้าใจว่าผมประมาททมของพระพุทธเจ้านะเวลานี้ทำที่ท่านเรียนมาได้มากได้น้อยยังไม่อำหนวยประโยชน์ให้ท่านสมภูมิที่เป็นปรเรียนนอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาของท่านในเวลานี้เท่านั้นเพราะท่านจะอดเป็นกังวล และนำธรรมที่เรียนมานั้นเข้ามาเทียบเคียงไม่ได้ในขณะที่ทำใจให้สงบดังนั้นเพื่อความสะดวกในเวลาจะทำความสงบให้แก่ใจขอให้ท่านที่จะทำใจให้สงบยกปูชาวไว้ก่อนในบรรดาธรรมที่ท่านได้เรียนมาต่อเมื่อถึงการที่ทาซึ่งท่านเรียนมาจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ท่านได้รับประโยชน์มากขึ้นแล้วธรรมที่เรียนมาทั้งหมด จะวิ่งเข้ามาประสาน ก, นกันกับทางด้านปฏิบัติและกลมกลืนกันได้อย่างสนิททั้งเป็นธรรมแบบพิมพ์ซึ่งเราควรจะพยายามปรับปรุงจิตใจให้เป็นไปตามด้วยแต่เวลานี้ผมยังไม่อยากจะให้ท่านเป็นอารมณ์กับธรรมที่ท่านเล่าเรียนมาอย่างไรจิตจะสงบลงได้หรือจะใช้ปัญญาคิดค้นในขันก็ขอให้ท่านทาอยู่ในวงกายนี้ก่อน เพราะธรในตำราทัานชีเข้ามาในขันทั้งนั้นแต่หลักฐานของจิตยังไม่มีจึงไม่สามารถนำธรรมที่เรียนมาจากตำราน้อมเข้ามาเป็นประโยชน์แก่ตนได้และยังจะกลายเป็นสัญญาอารมณ์คาดคะเนไปที่อื่นจนกลายเป็นคนไม่มีหลักเพราะจิตติดปริยัติในลักษณะไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านนำธรรมที่ผมพูดให้ฟังไปคิดดู ถตาท่านตั้งใจปฏิบัติไม่ท้อถอยวันหนึ่งข้างหน้าทําที่กล่าวนี้จะประทับใจท่านแน่นอนเท่าที่จําได้ในวันนั้นก็นํามาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้เรารู้สึกเกิดความเชื่อเลื่อมใสท่านทัน ท, นทีที่ได้เห็นองค์ของท่านชัดเจนในคืนวันนั้นพร้อมทั้งความเชื่อในธรรมที่ท่านเมตตาแสดงให้ฟัง และท่านก็อนุเคราะห์รับไว้ให้อยู่ในสำนักของท่านตลอดมาเราก็อยู่กับท่านด้วยความพอใจจนบอกไม่ถูกแต่อยู่ด้วยความโง่เง่าอย่างบอกไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะองค์ท่านรู้สึกมีเมตตาทำมาอนุเคราะห์ทุกครั้งที่เข้าไปหาการบำเพ็ญอยู่กับท่านระยะนั้นก็มีแต่ความเจริญกับความเสื่อมท้งภายในใจไม่ค่อยสงบอยู่คงที่เป็นเวลานาน พรนษาแรกที่อยู่กับท่านเป็นพรรษาที่เก้าเพราะเจ็ดพรรษาศึกษาทางป ร, ริยัตเริ่มออกปฏิบัติขึ้นมาจำพรรษาที่นครราชสีมาหนึ่งพัรษา